กราดาพระอนุน์เล่าต่อไปพระดำรับตอนสุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเป็นเสมือนสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงบนใบหน้าของบุตรีพรามนางรู้สึกร้อนผ่าไปหมดทั้งร่างสำหรับสตรีสาวอะไรจะเป็นเรื่องเจ็บปวดยิ่งไปกว่าการเสนอตัวให้ชายแล้วถูกเขาเคียทิ้งอย่างไม่ใยดี ดังนั้นในตาซึ่งเคยหวานเยิ้มของนางจึงถูกเชี่ยวให้เหือดแห้งไปด้วยไฟโสัสระใบหน้าซึ่งเคยถูกชมว่างามเหมือนจันเพนนั้นบัดนี้ได้ถูกเมฆคือความกโกรธเคลื่อนเข้าบทบังเสร็จแล้วนางผูกใจเจ็บในพระศาสดาสุดประมาณพระตถาคตเจ้า สังเกตเห็นกิริยาอาการของนางโดยตลอดแต่หาสนพไทยอันใดไม่ทรงแสดงอนุปกพิกถาพนานาถึงเรื่องทานศีลผลแห่งทานศีลโทษของกามและอานิสงแห่งการหลีกเกร้นออกจากกามที่เรียกว่าเนคขมมะฟอกอัทยาศัยแห่งพราหมณ์และพราหมณีจนทรงเห็นว่ามีจิตอ่อน ควรแก่พระธรรมเทศนาชั้นสูงแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงประกาศสามุกังสิ ก, กาธรรมเทศนาคืออิอริยสัส์สีพระหนึ่งช่างย้อมผู้ฉลาดฟอกผ้าให้สะอาดแล้วนำมาย้อมสีที่ตนต้องการพระธรรมเทศนาจบลงด้วยการสำเร็จมรรคผลของพรามและพรามณีพระพุทธองค์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 ในการที่จะแก้แค้นพระศาสดาเครื่องมือในการใช้ความพยายามของนางมิอย่างเดียวคือความงามเมื่อมีความพยายามความสำเร็จย่อมตามมาเสมอและในความพยายามนั้นถ้าจังหวะดีก็จะทำให้สำเร็จเร็วขึ้นดังนั้นต่อมาไม่ช้านักนางได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุธเทนแห่งโกสัมพี โดยวิธีใดไม่แจ้งนับว่าได้เป็นใหญ่เป็นโตพอที่จะหาทางแก้แค้นพระาศาสดาได้โดยสะดวกดังนั้นเมื่อนางทราบว่าพระตถาคตเจ้าเสด็จมาโกสัมพีนางจึงยินดียิ่งนักคราวนี้แหละพระสมณะโคดมผู้จองหองจะได้เห็นฤทธิ์ของมาคันธียานางปรารพเรื่องนี้ด้วยความกรี่มใจ จึงจ้างบริวารของนางบ้างทาตและกรรมกรบ้างให้เที่ยวติดตามด่าพระาศาสดาทุกมุมเมืองทุกหนทุกแห่งที่พระองค์ทรงเหยียบย่างไป ดูก่อนพระาดาขาพเจ้าตามเสด็จไปทุกหนทุกแห่งเหมือนกันถูกด่าแรงๆจิตใจของขพเจ้าก็กะวนกระวายแต่พระตถาคตเจ้าทรงมีอาการแช่มชื่นอยู่เสมอสีพรพักยังคงสงบนิ่งเช่นเดียวกับเวลาได้รับคำสรรเสริญ จิตใจที่ไม่วันไหวด้วยโลกธรรมคือนินทาและสรรเสริญนั้นเป็นจิต ท, ที่ประเสริฐยิ่งพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้และพระองค์ก็ทรงทําให้ดูเป็นตัวอย่างอาวุโสตราบใดที่บุคคลยังพอใจด้วยคําสรรเสริญเขาย่อมยังต้องวันไหวเพราะถูกนินทานี่เป็นกฎที่แน่นอน รัตถาคตเจ้าทรงธรรมพระมนัสให้เป็นเช่นแผ่นดินนักแน่นและไม่ยินดียินร้ายว่าใครจะล่อยปลายของหอมดอกไม้ลงไปหรือใครจะทิ้งเศษขยะของปฏิกูลอย่างไรลงไปข้าพเจ้าเองสุดที่จะทนได้จึงกราบทูลพระองค์ว่าพระองค์ผู้เจริญอย่าอยู่ที่นี่เลย คนเขาด่ามากหรือเกินจะไปไหนอานน์พระศ า, าสดาตรัสมีแววแห่งความเด็ดเดี่ยวฉายออกมาทางพระเนตรและสีพักพักไปเมืองอื่นเถิดพระเจ้าข้าสาวัตถีราชคลือสาเกตหรือเมืองไหนๆก็ได้ที่ไม่ใช่โกสัมผีถ้าเขาด่าเราที่นั่นอีกก็ไปเมืองอื่นอีกพระเจ้าข้า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 ต้องทนต่อลูกสอนซึ่งมาจากทิศทั้งสี่เพราะคนในโลกนี้ส่วนมากเป็นคนชั่วคอยแสหาแต่โทษของคนอื่นเธอจงดูเถิดพระราชาทั้งหลายย่อมทรงราชพหนะตัวที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ชุมนุมชนเป็นสัตว์ที่ออกชุมนุมชนได้อานุนเออยในหมู่มนุษย์นี้ ผู้ใดฝึกตนให้เป็นคนอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดม้าอสดรม้าสินทพพญาช้างตระกูลมหานาคที่ได้รับการฝึกแล้วจัดเป็นสัตว์อาชาใยสัตว์อาชาใยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่คนที่ฝึกตนดีแล้วยังประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้น ดูก่อนอานุนผู้อดทนต่อคําล่วงเกินของผู้สูงกว่าก็เพราะความกลัวอดทนต่อคําล่วงเกินของผู้เสมอกันเพราะเห็นว่าพอสู้กันได้แต่ผู้ใดอดทนต่อคําล่วงเกินของผู้ซึ่งด้อยกว่าตนได้เราเรียกความอดทนนั้นว่าสูงสุดผู้มีความอดทนมีเมตตาย่อมเป็นผู้มีลาภ มียศอยู่เป็นสุขเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเปิดประตูแห่งความสุขความสงบได้โดยง่ายสามารถขุดมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาเสียได้คุณธรรมทั้งมวลมีศีลและสมาธิเป็นต้นย่อมเจริญงอกงามแกผ่ผู้มีความอดทนทั้งสิน้น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 ล้วนย่อมไม่วันไหวด้วยลมจากทิศทั้งสี่ชั้นใดบันดิตย่อมไม่วันไหวเพราะคำนินทาและคำสรรเสริญฉันนั้นในพระดำรัตของพระาศาสดาตอนต้นท่านคงจำได้ว่าพระองค์ตรัสถึงม้าอสดรม้าสินทพและสัตว์อาชนัยรวมทั้งพญาช้างตระกูลมหานาค ข้าพเจ้าขอไขความเรื่องนี้สักเล็กน้อยม้าอสดอนนั้นคือสัตว์ผสมระหว่างม้าและลาคือแม่มา้าพ่อลาลูกออกมาจึงได้ลักษณะที่ดีเยี่ยมคือได้ลักษณะเร็วจากแม่และได้ลักษณะทนทานจากพ่อม้าเป็นสัตว์ที่มีฝีเท้าเร็วมากจนได้นามอีกอย่างหนึ่งว่ามโนใหม่หมายความว่า สำเร็จดังใจส่วนลานั้นทนทานมากในการนำภาระหนักปีนที่โตกชันก็เก่งเมื่อลักษณะทั้งสองประการมารวมกันคือทั้งเร็วและทนก็เป็นคุณลักษณะที่ดีเยี่ยมหันมามองดูมนุษย์เราผู้ใดมีคุณลักษณะสองอย่างคือทั้งเร็วและทนทานผู้นั้นก็จัดได้ว่าพระเสริฐ คนบางคนมีสติปัญญาดีรู้อะไรได้เร็วแต่ไม่ทนทานอ่อนแอเบื่อน่ายงานง่ายจับจดในที่สุดก็เอาดีไม่ค่อยได้ส่วนบางคนทนทานบึกบึนแต่ขาดสติปัญญารู้อะไรได้ช้าจึงทำให้เสียเวลามากเกินไปในการทำสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และคนในโลกส่วนมากก็มักจะได้ลักษณะเดียวแต่ดูเหมือนพระศาสดาจะทรงสันเสริญความเพียรพยายามมากอยู่เมื่อได้พยายามแล้วไม่สำเร็จสมประสงค์ใครเล่าจะลงโทษผู้นั้นได้ม้าสินทบนั้นเป็นพันม้าซึ่งเกิดณนะลุ่มแม่น้ำสินทุเป็นม้าพันดีมากแคว้นกัมโพชะทินกำเนิดของท่าน ก็เป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องมีม้าพันธีตามที่ท่านกล่าวแล้วแต่หนหลังส่วนช้างตระกูลมหาหน้าก็เป็นช้างตระกูลดีกล่าวถึงสัตว์อาชาในหมายถึงสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนแล้วให้ควรแก่การงานประเภทนั้นๆโดยในนี้สัตว์ทุกประเภทสามารถเป็นอาชาในถ้าได้รับการฝึกให้เหมาะแก่การใช้งาน แต่บรรดาอาชาในด้วยกันบุรุษอาชาในหรือคนอาชาในประเสริฐที่สุดเพราะเหตุนี้พระตถาคตเจ้าจึงตรัสว่าบรรดามนุษย์ด้วยกันคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุด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 นางมาคันธียาเป็นพระมเหสีรองของพระเจ้าอุเทนพระมเหสีใหญ่คือพระนางสามาวดีพุทธสาวิกาซึ่งเลื่อมใสในพระตถาคตเจ้ามากเมื่อพระนางมาคันธียากลั้นแกล้งพระศาสดาไม่สมประสงค์ก็หันมาฤศยาหาโทษให้พระนางสามาวดีพระนางถูกกล่าวหาหลายเรื่องจนพระเจ้าอุเทนทรงเชื่อ และจะประหารชีวิตพระนางสามาวดีแต่พระองค์ทรงทราบข้อเท็จจริงภายหลังจึงสั่งประหารพระนางมาคันทิยาพร้อมทั้งบริวารและญาติด้วยวิธีที่เรียกว่าทารุณอย่างยิ่งคือพระองค์ได้ขุดหลุมฝังพระนางมาคันทิยาและบริวารเพียงแค่คอแล้วให้ไถ จนอวัยวะขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพระนางมาคันธิยาจบชีวิตลงด้วยเรื่องที่พระนางก่อขึ้นเองดูก่อพระดาการคิดประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ย่อมเป็นเหมือนการพมน้ําลายรถฝาหรือการปาทุลีทวนลมผู้กระทาย่อมได้รับโทษเอง ดูก่อนท่านผู้สแสวงมรคาแห่งอมตะพระอานนุ์กล่าวต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าสำรานพระอริยบทนะโกสัมพีตามพระอธัธยาศัยพอสมควรแล้วก็เสด็จจาริกไปสู่คามนิคมชนบทราชธานีน้อยใหญ่เพื่อโปรดเวนยสัตว์ผู้พอแนะนำได้ให้ดำรงอยู่ในกุศลบท จนกระทั่งวนกลับไปประทับณนะกรุงสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลอันเป็นดินแดนแถบเชิงเขาหิ ม, มาลายัยความจริงพระพุทธองค์ประทับนกะกรุงสาวัตถีเป็นเวลาหลายปีที่สุดคือถึงยีห้าพรรษาแต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าประทับอยู่รูดเดียว2 5หาพรรษาพระองค์เสด็จไปไปม า, มา แต่เมื่อคิดครวมแล้วได้25ปีพอดีคือประทับอยูนะ่ณบุพพารามของนางวิสาขาหกปีและประทับณนะเชตวันอารามของท่านอนาถบินธิกะ19ปีอันว่าพระนครสาวัตถีราชธานีแห่งแววนโกศล น, นี้ตั้งอยู่ทางเหนือแห่งแววนกาสี มีอาณาเขตไปจนถึงหิมาลัยบรรพดมีแคว้นสากยะอยู่ทางทิศเหนือโอริยะอยู่ทางทิศตะวันออกแคว้นโกสนซึ่งมีสาวัตถีเป็นราชธานีนี้เป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่คู่แข่งกับแคว้นมคตโกสนมีเมืองสำคัญสามเมืองคือสาวัตถีอโยธยาซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำสรายุ เป็นเมืองสําคัญมาก่อนสมัยพระพุทธองค์ต่อมาถูกรวมเข้ากับโกศลส่วนอีกเมืองหนึ่งคือสาเกตอยู่ใกล้กับอโยธยาจเจริญขึ้นเวลาเดียวกับที่อโยธยาเสื่อมลงจึงคล้ายเป็นเมืองแทนอโยธยาสาเกตมีความสําคัญสําหรับโกสนมากเป็นเมืองบิดาแห่งนางวิสาขามหาอุบาสิกา ซึ่งข้าพเจ้าจะขอเล่าให้ท่านฟังในภายหลังระหว่างสาวัตถีถึงสาเกตมีรถด่วนเดินทางวันเดียวถึงรถด่วนนั้นคือรถเทียมมา้าตั้งสถานีไว้เจ็ดแห่งพอถึงสถานีหนึ่งก็เปลี่ยนมา้าครั้งหนึ่งม้าชุดหนึ่งวิ่งไประยะทางกว่ากึ่งยดเล็กน้อยแปลว่าต้องเปลี่ยนม้าถึงเจ็ดครั้งเรื่องนี้เองที่พระปุณณมันตานีบร อาจารย์ของข้าพเจ้าเมื่อสนทนากับพระสารีบุตรถึงเรื่องวิสุทธิเจ็ดอันจะนำบุคคลไปสู่พระนิพพานจึงเปรียบวิสุทธิเจ็ดเหมือนรถเจ็ดพลัดจากสาวัตถีถึงสาเกต ครั้งแรกที่พระตถาคตเจ้าเยียบพระมงคลบาดลงสู่สวัสถีนั้นเป็นเพราะการอาราธนาของท่านอนาถบินทิกะมหาเศรษฐีซึ่งเวลานั้นยังไม่ได้มีเนมิตรกานามอันไพเราะอย่างนี้เลยเรื่องเป็นดังนี้สมัยหนึ่งเมื่อตรัสรู้แล้วไม่นานพระตถาคตเจ้าประทับอยู่ณนะสีตะวัน ใกล้กรุงราชคฤพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่ครั้งนั้นอนาถบินธิกะเศรษฐียังไม่ได้รู้จักพระพุทธเจ้าได้เดินทางไปกรุงราชคลืเพื่อเยี่ยมเยียนสหายและเพื่อกิจการค้าด้วยเมื่อไปถึงเศรษฐีผู้สหายต้อนรับพอสมควรแล้วก็ขอตัวไปสั่งงานคนทั้งหลายให้ทำนั่นทำนี่จนไม่มีโอกาสได้สนทนากับอคันตุ ก, กะ อนาถบินทิกะประลาดใจจึงถามว่าสหายครั้งก่อนๆเมื่อข้าพเจ้ามาท่านกวีกว่าต้อนรับอย่างดียิ่งสนทนาปราศัยเป็นที่บันเทิงจิตตามฐานะมิตรอันเป็นที่รักท่านละงานอื่นๆไว้สิ้นมาต้อนรับข้าพเจ้าแต่คราวนี้ท่านละข้าพเจ้าแล้วสั่งงานยุ่งอยู่ท่านมีงานอาวหะวิวาหะมงคล หรือพระเจ้าพิมพ์พิสารจอมเสนาแห่งแคว้นมคตจะเสด็จมาเสวยที่บ้านท่านในวันพรุ่งหรือหรืออย่างไรสหายเศรษฐีกรุงราชคฤือตอบอภัยข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะไม่สนใจใหยดีในการมาของท่านก็หาไม่ได้ท่านก็คงทราบอยู่แก่ใจแล้วว่าข้าพเจ้ามีความรักในท่านอย่างไรแต่พรุ่งนี้ข้าพเจ้าอาราธนาพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระภิสุสงจำนวนร้อยเพื่อเสวยและฉันอาหารที่นี่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมัวสั่งงานยุ่งอยู่สหายท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าหรือโอ้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกหรือนี่ใช่พระพุทธเจ้าพระโคตมะพุทธะออกบวชจากสักยัตรกูลวิขาแพรส่สพัดไปทุกคนทุกแห่งว่า พระองค์เป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้ตสะรู้เองโดยชอบสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะคือมีความรู้ดีและความประพฤติดีสเสด็จไปที่ไหนก็อํานวยโชคให้ที่นั่นเป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้รู้จักโลกเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นจากกิเลสนิทรา รู้อริยสัตว์อย่างจาแจ้งและมีพระไัยเบิกบานด้วยพระมหากรุณาต่อมูลสัตว์เป็นผู้หักราคะโทสะและโมหะพร้อมทั้งบาปทาทั้งมวลแล้วสเสด็จเที่ยวจาริกสั่งสอนเวเนยสัตว์แสดงธรรมอันไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง เต็มบริบูรณ์ทั้งหัวข้อและความหมายสหายถ้าไม่ทราบการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าดอกหรือดูกรพระดา คำว่าพุโทโธนั้นเป็นคำที่ก่อความตื่นเต้นให้แกอนาถบินธิกาเศรษฐียิ่งนักอุปมาเหมือนคนเป็นโรคซึ่งทรมานมานานปีเมื่อทราบว่ามีหมอสามารถจะบำบัดโรคนั้นได้จะดีใจสักเพียงใดดังนั้นอ น, อนาถบินธิกะจึงกล่าวว่าสหายข้าอาหารสำหรับเลี้ยงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สำหรับพรุ่งนี้ เป็นจำนวนเท่าใดข้าพเจ้าขอออกให้ทั้งหมดยาเลยสหายเศรษฐีกรุงราชคลึตอบอย่าว่าแต่ท่านจะจ่ายค่าอาหารเลยแม้ท่านจะมอบสมบัติในกรุงราชคลึทั้งหมดให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็หายอมให้ท่านเป็นเจ้าภาพสำหรับเลี้ยงพระพุทธเจ้าใหม่กว่าข้าพเจ้าจะจองได้ก็เป็นเวลานานเหลือเกิน ข้าพเจ้าคอยโอกาสนี้มานานนักหนาแล้วสมบัติบรมจักข้าพเจ้ายังปรารถนาน้อยกว่าการได้เลี้ยงพระพุทธเจ้าเจ็วันนี้เป็นวันของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ใครเป็นอันขาดเมื่ออนาถวินิกะบิงวอนว่าขอออกค่าใช้จ่ายสักครึ่งหนึ่งเศรษฐีกรุงราชคฤือก็หายอมไม่ดูกรพราดา พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายนั้นทรงมีบุพเพกะตะบุญยตาอย่างล้นเหลือกุศลธรรมทั้งมวลที่พระองค์ทรงบำเพ็ญกระทามาตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตมารวมกันให้ผลในปัจฉิมภพของพระองค์นี้ประดุดสายทานซึ่งยังเอออยู่ในทำนพและบังเอิญทำนพพังทลายลง อุทกกะทาราก็ไหลหลากท่วมทนดังนั้นไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปณที่ใดพระราชาเสนาบดีพ่อขาประชาชนจึงต้องการถวายปัจจัยแก่พระองค์จนถึงกับต้องแย่งต้องจองกันล่วงหน้าเป็นเวลานานๆอนาถบินทิกะเศรษฐีเป็นผู้อันกุศลธรรมแต่ปางบันตักเตือนแล้ว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 เขาลุกขึ้นถึงสามครั้งด้วยสำคัญว่าสว่างแล้วแต่พอเดินออกไปภายนอกเรือนความมืดยังปรากฏปกคลุมอยู่ทั่วไปครานั้นความสะดุ้งว่าเสียวและความกลัวก็เกิดขึ้นแก่เขาเขากลับมานอนรำพึงถึงพระศาสดาอยู่ด้วยความกระวนกระวายใจ ในที่สุดเวลาก็มาถึงท้องฟ้าเริ่มสางเสียงไก่ขันรับอรุณแววมาตามสายลมเศรษฐีเดินออกจากตัวเรือนมุ่งสู่ประตูเมืองประตูยังไม่เปิด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 เวลานั้นพระพุทธองค์ตื่นบรรทมแล้วทรงแผ่คายพระยานพิจารณาดูสัตว์โลกที่พระองค์ควรจะโปรดเห็นอุปนิสัยของอนาตบินธิกะเศรษฐีว่าเป็นผู้ควรแก่การบรรลุธรรมจึงทรงจงกรมคือดำเนินกลับไปกลับมาอยู่ณนะบริเวณที่ประทับเมื่อเศรษฐีเข้ามาใกล้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าเข้ามาเถิด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 เขาศบหน้าลงแทบบาทมูลแห่งพระตถาคตเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระศักยมุนีเป็นโชคดีของข้าพระพุทธเจ้ายิ่งแล้วที่ได้มาเฝ้าพระองค์สมปราถนาข้าพระองค์รอคอยจนพระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองเพื่อเสวยพัตาหารไม่ไหวจึงออกมาเฝ้าแต่เช้ามืดพระองค์พูดเจริญ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 รู้สึกว่าโยต์หนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาวแต่สังสารวัตรคือการเวียนเกิดเวียนตายของสัตว์ผู้ไม่รู้พระสัจธรรมอย่างยาวนานกว่านั้นดูก่อนสุทัตต์สังสารวัตรนี้หาบื้องต้นบื้องปลายได้โดยยากสัตว์ผู้พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อยๆและการเกิดบ่อยๆนั้น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 เหมือนโคที่ยังมีแอกเกวียนครอบคออยู่ล้อเกวียนย่อมติดตามไปทุกฝีก้าวดูก่อนสุทธตะเมื่อรากยังมั่นคงแม้ต้นไม้จะถูกตัดแล้วมันก็สามารถขึ้นได้อีกชั้นเดียวกันเมื่อบุคคลยังไม่ถอนปัญหานุสัยขึ้นเสียจากดวงจิตความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้บ่อ ย, อยสุทธตะเอย น้ำตาของสัตว์ผู้ต้องร้องไห้เพราะความทุกโทมนัดทับถมในขณะที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัะสงสารนี้มีจํานวนมากเหลือขนาสุดที่จะกล่าวได้ว่ามีประมาณเท่านั้นทุกนี้กระดูกที่เขาทอดทิ้งลงทับถมปัทพีดอนเล่าถ้านำมากองรวมๆกันมิให้กระจัดกระจายคงจะสูงเท่าภูเขาบนพื้นแผ่นดินนี้ไม่มี ช่องว่างเลยแม้แต่สักนิดเดียวที่สัตว์ไม่เคยตายปัทพีนี้เกลื่อนกลนไปด้วยกระดูกแห่งสัตว์ผู้ตายแล้วตายเล่าเป็นที่น่าสังเวชสลดจิตยิ่งนะักทุกย่างก้าวของมนุษย์และสัตว์เยียบย่าไปบนกองกระดูกเขานอนบนกองกระดูกนั่งบนกองกระดูกสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่บนกองกระดูกทั้งสิน้น รู้ก่อนสุดทัตตะไม่ว่าพบไหนๆหล้วนแต่มีลักษณะเหมือนคบเพลิงทั้งสิ้นสัตว์ทั้งหลายดิ้นรนอยู่ในกองเพลิงคือทุกข์เหมือนเต่าอันเขาโยนลงไปแล้วในกองไฟใหญ่ฉะนั้น